ธรรมบทแปลเรื่องบุรพกรรมเก่าของพระองค์ภาคที่เจเรื่องที่214พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงรารพ บ, บุรพกรรมของพระองค์ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามัตาสุขปริจจาคาวัดเสเจวิปุลัง สุขังจะเชมาตาสุขังทีโรสัมปัดสังวิปุลังสุขังแปลว่าถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพ่บุญเพราะสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็น ส, สุขอันไัยบุญก็พึงสละสุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไพ่บุญ ความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งเมืองไัยสาลีได้เป็นเมืองมั่งคั่งกว้างขวางมีคนมากมายมีคนปลุกพล่านเมืองไพ่สาลีนั้นมีขษัตย์พลัดกันกรองราชสมบัติมาถึง 7,707 พันรเจพระองค์ประสาทเรือนยอดสำหรับเป็นที่ประทับสวน และสาบโอคณีสำหรับประทับพักผ่อนในระราชุตยานก็มีประมาณเท่านั้นเหมือนกันสมัยต่อมาเมืองไพศสาลีนั้นได้เกิดข้าวยากหมากแพงข้าวกล้าเสียหายเพราะความหมดอยากคนขัดสนในเมืองไพศสาลีนั้นได้ตายไปก่อนพวกมนุษย์ก็เข้าไปในเมือง เพราะกลิ่นซากศพของมนุษย์เหล่านั้นที่เขาทิ้งไว้ในที่ต่างๆคนก็ตายไปเพราะหามนุษย์ก็มากเพราะซากศพเหม็นเนา่าจึงเกิดอหิวาตะกโรคขึ้นแกสัตว์ทั้งหลายสรุปแล้วมีภัยสามอย่างคือภัยเกิดจากข้าวยากมากแพงหนึ่งภัยเกิดจากพวกาหามนุษย์หนึ่งและภัยเกิดจากโรคอีกอย่างหนึ่ง ชาเมืองประชุมกันกราบตูนพระราชาว่ามหาราชาเมืองนี้เกิดภปสามอย่างก่อนแต่นี้ตลอดเจ็ดชั่วกริย์ภัยเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นธรรมดาว่าในรัชการของพระราชาผู้ทรงธรรมภัยเช่นนี้ย่อมไม่เกิดพระราชาจึงรับสั่งให้ประชาชนทั้งหมดประชุมกันในทองพระโรงแล้วรัสว่า เพาว่ามีการครองราชโดยไม่เป็นธรรมท่านทั้งหลายจงตรวจตราดูข้อที่ไม่เป็นธรรมชจวเมืองไพศาลีก็ตรวจดูประเพณีทุกอย่างไม่พบว่าพระราชาทำผิดในที่ใดจึงกราบตุนพระราชาว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ไม่ได้ทรงประพฤติผิดเจ้าเมืองจึงปรึกษากันว่าทำอย่างไรเนา ไพของพวกเราจึงจะสงบบรรดาชนเหล่านั้นเมื่อบางพวกกล่าวว่าไพ่อาจสงบได้ด้วยการทำปลีกรรมด้วยการบวงสรวงด้วยการกระทำมงคลก็แต่ว่าพวกเขาได้ทำพิธีนั้นทั้งหมดก็ไม่สามารถระงับไพ่ได้อีกพวกหนึ่งกล่าวกันอย่างนี้ว่าก็พวกครูทั้งหมีอนุภาพมากเพียงเมื่อครูทั้งห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 เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่ไหนเหล่าตอนเจ้าเมืองภัยสาลีให้ไปตูนจนพระศาสดาก็ในเวลานั้นใกล้วันเข้าปรรษาพระศาสดาทรงรับคําปฏิญญาของพระเจ้าพิมพีสารประทับอยู่ณพระเวรวนันก็โดยสมัยนั้นเจ้าลฤชวี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 พระเจ้าปิมพิสารทูลเชิญพระาศาสดามาเมืองนี้เจ้ามาลีลิชวีและบุตรปุโรหิตเหล่านั้นไปถึงถวายเรื่องบรรณาการแก่พระราชากราบทูลความเป็นไปนั้นให้ทรงทราบแล้วอ้อนวอนว่ามหาราชขอพระองค์ทรงส่งพระศาสดาไปยังเมืองแห่งข้าพระองค์พระราชาจึงตรัสว่า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 พระศ า, าสดาทรงสนับคัมรัตนาแล้วทรงไคร่กรวนก็ทรงทราบว่าเมื่อเราสวดรัตนสูตรในเมืองภัยสาลีอาจยาจะแผ่ไปตลอดแสนโกดจักรวาลในเวลาจบประสูตรสัตว์ดหมพจะบระร้ธรรมภัยเหล่านั้นก็จะสงบหนนี้แล้วจึงทรงรับคัรรัตนา ของคนทั้งสองนั้นตอนพระศาสดาเสด็จเมืองภัยสาลีก็เมื่อพระเจ้าบิมพิสารทรงสดับข่าวว่าพระศาสดาจะเสด็จไปเมืองภัยสาลีดังนี้แล้วจึงรับสั่งให้ป่าวประกาศไปทั่วเมืองแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทรงตูลตามว่า พระองค์ทรงรับการเสด็จไปเมืองภัยสาลีแล้วหรือพระชจ่ากเมื่อพระาศาสดาตอบว่าถูกต้องแล้วพระเจ้าปิมิสานจึงได้ทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอจงทรงรอก่อนพระชจ้าข้าข้าพระองค์จะตระเตรียมทางก่อนพระราชาจึงรับสั่งให้ปรับพื้นที่ห้าโย์ระบางกรุงราชกฤตกับแม่น้ำคงคาต่อกัน ให้ราบเรียบโยอดหนึ่งยอดหนึ่งจะให้มีวิหารสำหรับประทับแล้วจึงกราบทูลว่าถึงเวลาควรเสด็จแล้วรณะนั้นพระาศาสดาเสด็จเดินทางกับภิกษุห้ารูปพระราชารับสั่งให้โปรยดอกไม้ห้าสีสูงเพียงเข่าในระหว่างยอหนึ่งยอดหนึ่ ง, งแล้วให้ยกธงชัย ธงปืนผ้าและต้นกล้วยเป็นต้นให้กันสเบตชัดสองชั้นสอนสําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้ากันสเบตชัดแก่ภิกษุรูปละคันรูปละคันพระราชาพร้อมกับข้าราชบริพารทรงทำบูชา ด, ด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้นทรงราตนาพระาศาสดาให้ประทับอยู่ในวิหารแต่ละแห่ง ถวายมหาฐานแล้วให้เสด็จถึงแฝงแม่น้ำคงคาใช้เวลาห้าวันทรงตกแต่งเรือในที่นั้นแล้วส่งส่งข่าวไม่บอกชาวเมืองไผ่ า, าลีว่าชาวเมืองไผ่ า, าลีเตรียมทางทำการต้อนรับพระศาสดาเติดตอนชาวเมืองไผ่สาลีจัดการต้อนรับพระศาสดา ชาเมืองภัยสาลีคิดว่าเราจะทำการบูชาให้เป็นสองเท่าดังนี้แล้วจึงปรับพื้นที่ประมาณสามโยชร์ระหว่างเมืองภัยสาลีต่อกับแม่น้ำคงคาให้ราบเรียบแล้วตระเตรียมสเสบีัตัซ้อนกันสี่ชั้นสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าสำหรับพระภิกษุรูปละสองชั้น ทำการบูชาได้มาต้อนรับเสด็จอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารทรงขนานเรือสองลำให้ทำาลับปลาประทับด้วยปวงดอกไม้เป็นต้นปูราดพุทธาสํำเร็จ ด, ด้วยแก้วทุกชนิดไว้พระผู้มีพระพเจ้าทรงประทับนั่งบนพุทธาฏนั้น ไ่าิกษุทั้งหลายก็ขึ้นเรือนั่งรายล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระราชาตามส่งเสด็จโดยลุยน้ำลึกถึงพระสอคือลึกถึงคอแล้วกราบตูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจะอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงกานี้แลจนกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จกลับแล้วส่งเรือไปแล้ว จึงเสด็จกึ้่นพระศาสดาเสด็จไปตามแม่น้ำคงคาระยะทางประมาณหนึ่งโยน์แล้วเข้าเขตของชาวเมืองไปสาลีเจ้าลิชบีทั้งหลายทรงต้อนรับพระศาสดาลงลุยน้ำลึกถึงพระสอคือลึกถึงคอนำเรือเข้ายังฝั่งเชิญเสด็จพระศาสดาลงจากเรือ กบ พ, พระศาสดาเสด็จขึ้นจากเรือเหยียบฝั่งแม่น้ำเท่านั้นมหาเมฆตั้งเขาทำให้ฝนบุกกระพัด ต, ตกลงทั่วทุกที่น้ำท่วมถึงเข่าถึงอกไล่บาพัดพาเอาซากศพทั้งหมดตกลงแม่น้ำโขงกาพื้นแผ่นดินสะอาดแล้วเจ้าลิชบีทั้งหลาย สูนให้พรศสสดาประทับอยู่ในระยะทางช่วงระโย์ถวายมหาฐานทำการบูชาให้เป็นสองเท่านำเสด็จไปสู่เมืองไพศ า, าลีโดยใช้เวลาสามวันท้าวักกะเทวราชห้อมล้อมด้วยหมู่เทวดาได้เสด็จมาเมื่อเทวดาผู้มีศักดายายิ่ประชุมกัน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 ในระหว่างกำแพงสามชั้นในเมืองไปษ า, าลีนังนี้พระเิระเรียนรัตนสูตรที่พระาศาสดาประทานแล้วนำนำ้ำซึ่งใส่ลงในบาศิลาของพระาศาสดายืนอยู่ที่ประตูเมืองระลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหมดตั้งแต่ทรงตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า คือพระบารมี30ล้วนคือบารมี10อุปบารมี10บารมัถบารมี10มหาบริจาคหจริยะ3คือโลกกัตถจริยาหนึ่งญาตัตถจริยาหนึ่งพุทธทัตถจริยาหนึ่งการเ้าลงสู่คันในภพสุดท้ายการประสูติการเสด็จออกมหาพี่เนศกรม การทรงบําเพ็ญเพียรการชนมารการแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานเหนือบัลลังก์ต้นโพการยังพระธรรมจักรให้เป็นไปและพระโลกรัตธรรมเก้าแล้วเข้าไปในเมืองสวดพระปริธในระหว่างกำแพงทั้งสาตลอดสามยามแห่งราตรีพอพระเถระเริ่มสวดบทว่ายังกินจิ เป็นต้นเท่านั้นน้ำที่สาดขึ้นไปก็ตกลงถูกพวกอมนุษย์ตั้งแต่กล่าวกาตาว่ายาณีทะภูตานิเป็นต้นยาดน้ำเป็นราวกะบ้าเริดเงินพุ่งขึ้นในอากาศแล้วตกลงมาผูกคนเจ็บป่วยคนหายป่วยทันทีทันใดลุกขึ้นตามพรเตระรไปเมื่อพระเตระ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 มหาชนประพรมสาลาที่ประชุมกลางเมืองด้วยของหอมทุกอย่างเบื้องบนผูกผ้าเพดานอันมิจิตด้วยดาวทองเป็นต้นตกแต่งพุทธาฏนำเสด็จพระาศาสดามาพระาศาสดาประทับนั่งบนอาสนะอันตกแต่งแล้วทั้งภิกษุสงฆ์ทั้งหมู่เจ้าลิชบี ก็นั่งรายล้อมพระศาสดาอยู่ฝ่ายท้าวส ก, กัดเทวราชพร้อมหมู่เทวดาได้ประทับยืนในที่อันสมควรฝ่ายพระเทระเที่ยวไปทั่วเมืองแล้วก็กลับมาพร้อมอาหาชนผู้หายจากโรคถาวายบังคมพระศาสดาแล้วก็นั่งลงพระศาสดาตรวจดูบริษัทแล้วได้ตรัสรัตนสูตรนั้นซ้มอีก ในเวลาจบเทสนาชัดแนพได้บรรลุธรรมพระศ า, าสดาทรงแสดงรัตนสุนรแล้วซ้ำตลอดเจวันถึงแม้ในวันรุ่งขึ้นก็ทรงแสดงอย่างนั้นทรงทราบว่าภัยทั้งปวงสงบแล้วจึงบอกลาหมู่เจ้าลิชวีเสด็จออกจากเมืองภัยสาลีเจ้าลิชวีทั้งหลายทรงทำสาการะ เป็นตวีคูณนำเสด็จพระศาสดาไปสู่ฝั่งแห่งแม่น้ำคงคาใช้เวลาสามวันเช่นเดิมตอนพวกพญานาคทำการบูชาพระศาสดาเหล่าพญานาคที่เกิดในแม่น้ำคงคาคิดว่าพวกมนุษย์ทำสการะแด่พระตถาคตพวกเราจะทำอย่างไร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 ขอพระองค์ทรงทำการอนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์ได้เถิดมเมืน่นี้แล้วทั้งมนุษย์และนาคต่างทำการบูชาพระตถาคตเทวดานับแต่เทวดาผู้สถิตนาภาคพื้นจนถึงปรมโลกฉันอาการนิทะคิดว่าพวกเราจะทำอะไรเนอดังนี้ต่างก็ทำส ก, การะในพวกคนและ นมนุษย์เหล่านั้นพวกนาคยกฉัดซ้อนซอนกันขึ้นสูงหนึ่งยอดชัดที่ซ้อนซอนกันเป็นอย่างนี้คือนาคตั้งฉัดไว้ที่แม่น้ำมนุษย์ที่พื้นดินภู ม, มะเทวดาที่ต้นไม้ก่อไม้และผูเขาเป็นต้นอากาศตะเทวดาตั้งฉัดไว้ที่กลางหาวสรุปแล้ว ตั้งต้นแต่พบนาคตลอดถึงปรมโลกโดยรอบจกบักรวาลในระหว่างชัดมีธงชัยในระหว่างธงชัยมีธงแผ่นผ้าในระหว่างธงเหล่านั้นได้มีเครื่องสักการะมีพวงดอกไม้จุนเครื่องอบและทูบเป็นต้นเราเทียบประบรุแต่งกายเต็มที่แปลงตัวเป็นคนธรรมดา เล่นมหมาระศบร้องรำไปทางอากาศก็ดีดินว่าสมาคมคือการชุมนุมใหญ่ที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้มีเพียงสามครั้งเท่านั้นคือสมาคมในเวลาแสดงยมกขปฏิหารหนึ่งสมาคมในเวลาเสด็จลงจากเทวโลกนี้อันหนึ่งและสมาคมในเวลาเสด็จทางแม่น้ำคงคานี้อีกอย่างหนึ่งตอน พระเจ้าพิมพิสารให้เตรียมรับเสด็จพระพุทธเจ้าอีกพระเจ้าพิมพิสารทรงตรัสเตรียมสักการะให้เป็นสองเท่าจากสักการะที่พวกเจ้าลฤชวีธรรมได้ทรงยืนคอยการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งพระศาสดาท่าพระเนตรการบริจาคใหญ่ ของพระราชาในสองฝั่งแม่น้ำคงคาและทรงทราบอัตยาสัสของพวกนาคเป็นต้นจึงเนรมิตพระพุทธเนรมิตพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งมีภิกษุ500รรูปเป็นบริวารไว้บนเรือแต่ละลำพระพุทธเนรมิตนั้นรายล้อมด้วยหมู่นาคประทับนั่งอยู่นะภายใต้สเสวตฉัด แต่ละกันและตตยต้นกระลบประพึกและพวงระเบียบตองไม้แม้ฉันที่อยู่ของเทวดามีเทวดาผู้สติสตอยู่ตามภาคปืนเป็นต้นก็ท่งเนรมิตรพุทธเนรมิตรพร้อมบริวาลไว้แห่งละพระองค์ห้องจั ก, กรวาลทั้งหมดเป็นประนึ่งว่ามีมหรสพมีการเล่นเป็นนันเดียว ด้วยประการชนนี้แล้วและเพื่อจะทรงทำการอนุกราบพวกนาคพระาศาสดาได้เสด็จขึ้นสู่เรือแก้วลำหนึ่งฝายภิกษุแต่และรูปก็ขึ้นนั่งบนเรือลำหนึ่งลำหนึ่งเหมือนกันปญานาคทั้งหลายนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปยังพบนาคฟังธรรมคถา จากพระศาสดาตลอดคืนรุ่งขึ้นจึงอังคาดพิกสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยของขวนเคี้ยวของขวรฉันอันเป็นทิพย์พระศาสดาทรงทำอนุโมทนาแล้วเสด็จออกจากภพของนาคอันเทวดาในจักรวาลทั้งสิน้นบูชาอยู่ทรงฆ่าแม่น้ำกงคาด้วยเรือ500ห้าร้อยลำ พระเจ้าปิมพิสารทรงต้อนรับทูลเชิญพระสัสดาลงจากเรือทรงทมสักการะให้เป็นสองเท่าของสักการะที่เจ้าฤชวีทมในตอนเสด็จมานำพระสัสดากลับสู่กรุงราชกฤชใช้เวลาห้าวันโดยนัยาก่อนนั่นแหละตอนพวกภิกษุทื่นชมพุทตานุภาพ ในวันถัดมาวพวกวิกษุกลับจากบินาบาทในเวลาเย็นนั่งประชุมกันในโรงธรรมสนทนากันว่าน่าสัใจจริงอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าประหลาดใจเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเลื่อมใสในพระศาสาดาจริงๆพระราชาสองเมืองทรงให้ปรับหนทางแปดโยตจากสองฝั่งแม่น้ำคงคา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 มิได้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพของนาคและเทวดาและปรมแต่เกิดด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคเพียงเล็กน้อยในอดีตเมื่อพวกภิกษุถูกให้ตรัสเล่าแล้วพระสงค์จะขยายความก้อนนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาเล่าดังนี้ว่าเรื่องสุสีมะมานุปในอดีตการ ได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสังขะอยู่เมืองตากศิลาเขามีบุตรคนหนึ่งชื่อสุสีมะเป็นมานพคือเป็นชายหนุ่มอายุย่างเข้าสิกปีในวันหนึ่งสุสีมะมานพนั้นเข้าไปหาพระปิดาแล้วกล่าวว่าพ่อผมอยากไปเรียนมนที่เมืองบาราณสีปิดาจึงกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นมีพรามชื่อโนอนเป็นสายของพ่อเจ้าจงไปหาเขาแล้วเรียนกับเขานะดังนี้สุสีมามานรับคำแล้วเดินทางไปถึงเมืองพารณาณสีโดยลำดับก็ไปหาปรามนั้นแล้วบอกว่าบิดาสั่งให้มาดังนั้นปรามจึงรับเขาไว้ด้วยคิดว่าเป็นลูกของเพื่อนดังนี้ เมื่อเขาพักหายเหนื่อยแล้วได้วันดีจึงเริ่มบอกมนแก่มานพห น, นุสุสีม้ามานพเรียนได้เร็วด้วยเรียนได้มากด้วยจำมนที่เรียนแล้วเรียนแล้วได้ไม่หลงลืมราวกว่าน้ำมันราชสีที่เขาเทไว้ในภาชนะทองกคำไม่นานนักก็เรียนมน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 จึงเข้าไปหาฤๅษีคือพระปัจเจกขปุระเาเหล่านั้นแล้วถามท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าทราบว่าพระคุณท่านรู้ที่สุดแห่งศิละปะอย่างนั้นหรือพระปัจเจกขปุระเจ้าเจริญพรพวกเรารู้อยู่สุสีมามานพถ้ากรณนั้นขอจงบอกกระผมด้วยพระปัจเจกบปุระเาเราไม่บอกแก่คนไม่บวช ถ้าท่านอยากรู้ที่สุดแห่งศิลปะก็บวชสิสุสีมะหมานพนั้นรับคำแล้วได้บวช ก, ก, กับพระปัจเจกบุติเจ้าเหล่านั้นต่อมาพระปัจเจกบุติเจ้กกบาบอกแกสุสีมาเร่ว่าเธอจงศึกษาข้อนี้ก่อนแล้วบอกอภิสมาจาริกวัตรโดยนัยเป็นต้นว่าพึงนุ่งอย่างนี้ พึ่งห่มอย่างนี้สุสีมะศึกษาอยู่ในอภิสมาจาริกรวัตนั้นเพราะความที่ตนมีอุปนิสัยพร้อมไม่นานนักก็ได้ตรัสรู้ปัจเจกะสมโพธิยานเป็นที่รู้จักดีทั่วเมืองบาลณสีเป็นราวกับ ว, ว่าพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นในท้องฟ้าได้ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบและเลิศด้วยยศ ไม่นานนะักท่านก็ได้ปรินิพานเพราะทำกรรมซึ่งให้ผลเป็นคนมีอายุน้อยที่นั้นพระปัจเจ ก, กพุทิชาติทั้งหลายพร้อมประชาชนได้ทำสรีรกิจของท่านแล้วนำธาตุไปสร้างเป็นสถูปเก็บไว้ใกล้ประตูเมืองฝ่ายสังฆบรามคิดว่าลูกของเราไปนานแล้วยังไม่กลับ เราหน้าจะรู้ข่าวกราวของเขาดังนี้สังกะพราหม์อยากจะไปเยี่ยมลูกจึงออกจากเมืองตั ก, กศิลาเดินทางไปถึงเมืองปาราณสีโดยลําดับเห็นหมู่มหาชนประชุมกันก็จึงคิดว่าในคนเหล่านี้คงมีสักคนหนึ่งที่รู้ข่าวคราวลูกของเราเป็นแน่ดังนี้แล้วจึงเข้าไปหาเขาแล้วถามว่า มานพชื่อสุสีมะมาที่นี่ท่านทราบข่าวกราวของเขาบ้างไหมมาชนตอบว่าพราหมณ์เรารู้คือสุสีมามานพนั้นเรียนไตรเพศในสำนักของพราหมณ์ชื่อนนทนบวชแล้วทําให้แจ้งซึ่งปัจเจ ก, กโพธิญาณประเด็นนี้ผ่านแล้วนี้เป็นสตูปที่เราสร้างให้ท่านดังนี้สังกับพระรามนั้น เมื่อได้ยินล่าวนั้นแล้วเอามือทุบพื้นดินร่ำให้กร่ำกรวนเดินไปยังลานพระเจดีถอนหญ้าทิ้งเอาพระห่มขนสายมาเกลี่ยลงที่ลานพระเจดีประปรมด้วยน้ำในละกจันบูชาด้วยดอกไม้ป่ายกรงแผ่นผ้าที่ทำด้วยผ้าสาดกผูกร่มของตนไว้บนยอดสตูป แล้วก็หลีกไปตอนอันนี้สรงแห่งการบริจาคความสุขพอประมาณพระศัสดาได้ทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วตรัสว่าพิกสุททั้งหลายในครั้งนั้นเราได้เป็นสังกัปราม์ด้วยผลกรรมที่เราได้ตอนญ่าในลานพระเจดีของพระปัจเจกบบตรเจ้กกบบชาชื่อสุสีมะ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 ลงในขนต่าง8โยชน้ำไหนแม่น้ำคงคาที่ประมาณหนึ่งโยชนจึงดาดาดไปด้วยดอกบัวห้าสีด้วยผลกรรมที่เราได้ประปรมพื้นที่ลานพระเจดีด้วยน้ำไหนลกจันทร์ฝนโบกรพัดจึงตกลงในเมืองไผ่สาลีด้วยผลกรรมที่เราได้ยกธงแผ่นผ้าขึ้นและปลูกร่มไม้บนพระเจดีนั้น ห้องจั ก, กรบาลทั้งสิ้นจึงเป็นราวกับว่ามีมหรสพเป็นนันเดียวกันด้วยธงชัยและธงพื้นบ้าและฉัดซ้อนอนกันเป็นต้นตลอดถึงอคกินิพพบภิกษลายพระเหตุดังนี้แลการจักรรักด้วยการบูชาเกิดขึ้นแก่เราด้วยพุทธานุภาพก็หาไม่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งนาคเทวดาและพรหม ว่าหาหม่แต่ว่าเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคมีประมาณน้อยในอดีตการดัง น, น, นี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าถ้าผู้มีปัญญาเห็นสุขอนภัยบุญทจงสละสุขเล็กน้อยพึงละสุขเล็กน้อยนั้นเสียเพื่อจะพบสุขอันภัยบุญบาลีว่า มาตาสุขะปริจจ่าคาปัดเสเจมิปุลังสุขังจะเชมาตาสุขังตีโรซ้ำปัดสังมิปุลังสุขังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามาตาสุขะปริจจาคาแปลว่าเพราะสละสุขเล็กน้อยหมายความว่าเพราะสละสุขพอประมาณ คือสุขนิดหน่อยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขเล็กน้อยคำว่าสุขโนรันได้แก่สุขคือพระนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสใช้คำว่าวิปุลังสุขขังแระว่าสุกันไปบุญหมายความว่าถ้าบุคคลพึ่งเห็นสุขอันไปบุญ น, นั้นท่านกล่าวคำอธิบายไว้ดังนี้ว่าก็ชื่อว่าสุขมอประมาณ เกิดขึ้นเพียงแค่ได้ฐานอาหารถาดหนึ่งมารับประทานส่วนนิพพานสุขอันไปบณ์คืออนุรานย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้สละสุขมาประมาณนั้นเสียรักษาอุโบสถอยู่บ้างให้ทานอยู่บ้างเพราะเหตุ น, นั้นถ้าบุคคลเห็นสุขอันไปบุญเพราะสละสุขเล็กน้อยเช่นนั้นเสียที่นั้นบัณฑิตเมื่อเห็นสุขันไปบุญนั้น โดยถูกต้องก็ปึงละสุขเช่นน้อยนั้นเสียก็ในเวลาจบเทสนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องบรุรพกรรมกองพระองค์คืออัตโนปุพะก ร, รมมวัตถุ